เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณน้ำที่ได้ส่งเข้ามาให้กับทางสมัมผัสสยองของเราจากที่ครั้งก่อนเธอได้แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนเก่าเข้ามาหากใครที่ยังไม่เคยได้รับวังก็สามารถย้อนกลับไปฟังเรื่องเพื่อนเก่าเพื่อนหลอนเธอกลับมาพร้อมกับความหลอนได้นะครับและต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราว ที่คุณน้ำได้นำมาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องได้รับฟังคุณน้ำได้เล่าว่าถนนเปรียวเส้นทางงานแต่ง ส, สัมผัสสยอง สวัสดีพี่แอดมินและแฟนๆสัมผัสสยองทุกท่านหลังจากที่เราได้เจอกับวิญญาณของแก้มในคืนนั้นมันทำให้เรากลัวมากจากที่ไม่เคยเชื่อเรื่องลีลับก็ต้องเชื่อจากที่ไม่เคยกลัววิญญาณก็ต้องกลัวแม้กระทั่งในตอนนี้เราก็ยังรู้สึกกลัวกับเหตุการณ์ที่ได้เจอนั้นอยู่เราไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ที่เจอในรัางนั้น มันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวลีลับที่เราจะต้องเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะหลังจากที่เราได้เจอวิญญาณของแกมได้เพียงเจ็ดวันเราก็ต้องพบเจอกับสิ่งที่น่าหวาดกลัวอีกครั้งเรื่องมันเกิดขึ้นในวันงานแต่งของพี่ที่ทำงานที่เดียวกันกับพ่อของเราเธอชื่อว่าพี่นางพี่นางจัดงานแต่งอย่างเรียบง่าย ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งบ้านของพี่นางจะอยู่ท้ายหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านนี้จะอยู่ห่างจากหมู่บ้านของเราไปอีกประมาณหนึ่งกิโลเมตรสองข้างทางระหว่างทางไปหมู่บ้านจะมีป่าและไรอ้อยทอดยาวออกไปไม่มีบ้านคนเลยวันงานแม่ของเราก็ไปช่วยงานที่บ้านพี่นางตั้งแต่เช้า เพราะแม่ของเราก็รู้จักกันดีกับพี่นางมานานแล้วแม่อยู่ช่วยงานตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายจนเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึง่งแม่ก็ขี่รถกลับมาบ้านเพื่อมาอาบน้ำแต่งตัวไปกินเลี้ยงในตอนเย็นและแม่ยังบอกกับเราด้วยว่าให้ตามไปงานเลี้ยงในตอนเย็นด้วยเมื่อเราได้ยินที่แม่บอกก็รู้สึกตกใจเล็กน้อย เพราะเรายังกลัวกับสิ่งที่เจอในครั้งก่อนมันทำให้เราไม่อยากไปไหนมาไหนคนเดียวในตอนกลางคืนอีกเราจึงหามแม่ไปด้วยเสียงที่สัน่นว่าจะให้เราไปคนเดียวหรอแต่แม่ก็บอกว่าเปล่าเพราะรู้อยู่แล้วว่าเรากลัวผีแม่จะให้พี่ชายไปกับเราด้วยและมีลูกพี่ลูกน้องอีกสามคนพี่ชายของเราชื่อหนึ่ง ส่วนลูกพี่ลูกน้องก็จะมีพี่หญิงพี่เคและนนท์ที่เป็นรุ่นเดียวกับเราเมื่อเรารู้ว่าจะมีคนไปด้วยหลายคนก็โล่งอกจากนั้นแม่กับพ่อก็เดินทางออกไปก่อนพะใกล้ถึงเวลาที่เราจะไปเราก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วมานั่งรอพวกพีพีไม่นานนักพวกพีเขาก็มาถึง แต่เราสังเกตเห็นว่าจำนวนคนที่มานั้นมีมากกว่าที่คิดมีคนแปลกหน้ามาด้วยอีกสามคนแล้วพี่หนึ่งก็แนะนำให้รู้จักว่าเป็นเพื่อนของพี่เองทั้งสามคนนั้นมีชื่อว่าพี่แมนพี่เอและพี่ตายทำให้ตอนนี้เรามีคนไปร่วมงานกันแล้วถึง8ดคนรวมทั้งเราด้วย พ อ, อมากันครบพวกเราก็พากันไปงานแต่งตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วพวกเราขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปกันทั้งหมดสามคันนั่งคันละสองคนบางสามคนบ้า ง, างพี่หนึ่งพี่ชายของเราเป็นคนขี่ส่วนเรานั่งซ้อนทายแล้วก็ขี่มาเรื่อยๆออกจากหมู่บ้านไปจนถึงช่วงที่มีป่าและไรอ้อย เส้นทางนั้นมันมืดและน่ากลัวมากแสงไฟจากเสาไฟฟ้าก็มีเพียงน้อยนิดไม่เพียงพอที่จะให้แสงสว่างแต่ก็เดินทางมาถึงงานแต่งงานด้วยความปลอดภัยเมื่อพวกเราทั้งหมดอยู่ในงานก็กินกันไปคุยกันไปจนเวลาใกล้จะเที่ยงคืนก็ชวนกันกลับบ้านแต่ตอนกลับรถพี่หนึ่ง พี่ชายของเรากลับสตาร์ทไม่ติดพี่หนึ่งเลยบอกให้เราไปเอารถของแม่มาใช้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมารับพ่อกับแม่อีกทีแต่พอเราไปถามแม่ก็บอกว่าพ่อเอารถกลับไปแล้วเพราะแม่คิดว่าจะกลับกับพวกเรานี่แหละพวกเราตัดสินใจอยู่พักหนึ่งก็คิดว่าจะจูงรถกลับไปด้วยกันเพระระยะทางจากที่นี่ไปบ้านของเรา มันก็ไม่ได้ไกลมากนักแล้วพวกเราก็พากันจุงรถกลับบ้านเดินไปด้วยกันทั้งเก้าคนและรถสามคันรวมคันอื่นที่ใช้งานได้เป็นปกติพอเดินมาถึงช่วงที่เป็นป่าและไรอ้ อ, อยเราก็มีความรู้สึกว่าบรรยากาศตอนนั้นมันวังเวงและมืดมีลมพัดเบาๆจะว่าเย็นสบายก็ได้ แต่มันมีความน่ากลัวซ่อนอยู่พวกเราจูงรถเดินเรียงแถวกันอยู่ริมถนนแม่ของเราเดินนำหน้าขบวนอยู่ข้างพี่หญิงกับนนส่วนตรงกลางมีพี่หนึ่งจูงรถที่สตาร์ทไม่ติดและมีพี่เอเดินอยู่ข้างๆพี่เคกับพี่ตายก็เดินจูงรถอยู่ข้างๆเราท้ายขบวนในระหว่างที่เดินกันอยู่นั้น ก็พากันคุยและเล่นกันไปด้วยบางก็พูดตลกบ้างก็แกล้งกันขำกันสนุกสนานเสียงดังเหมือนกับพยายามจะไม่ให้เรากลัวและมันก็ได้ผลจริงๆเราลืมความกลัวแล้วก็ํำกับคำพูดและท่าทางตลกนั้นแต่แล้วเราก็ํำได้ไม่นานสายตาของเราก็เหลือไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีแดง ยืนอยู่ด้านหลังกออ้อยข้างทางเราคิดว่าเป็นหนึ่งในพวกของเราเองจึงไม่ได้สนใจแต่พอเดินมาได้อีกสักพักเราก็เริ่มฉุกคิดว่าคงไม่มีใครไปยืนอยู่ตรงนั้นหรอกแล้วสิ่งที่ทำให้เราตกใจนั่นก็คือทุกคนอยู่กันครบและก็ไม่มีใครที่ใส่เสื้อสีแดงมาเลยจึงหันไปมองที่ด้านหลังอีกครั้ง ว่าชายคนนั้นเป็นใครแต่เรากลับมองไม่เห็นผู้ชายคนนั้นแล้วในขณะที่เรากําลังงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นมาทุกคนหยุดเดินแล้วก็ได้รู้ว่ามันคือเสียงของพี่หญิงนั่นเองเธอกลีดร้องแล้วชี้เป็นทางก่ออ้อยที่หยุดตรงหน้าพร้อมกับพูดแทบจะไม่เป็นภาษาบอกว่าผีหลอก ทุกคนหันไปมองตามมือที่ชี้ไปนั้นแต่ก็ไม่มีใครเห็นอะไรแล้วพี่ตายก็ขำบอกกับพี่หญิงว่าอย่ามาหลอกกันเลยไม่เชื่อหรอกทุกคนต่างหัวเราะเพราะคิดว่าพี่หญิงแกล้งหลอกให้กลัวแต่เราสังเกตเห็นสีหน้าที่กังวลและตื่นกลัวพร้อมกับน้ำเสียงที่สันระรัวของพี่หญิง แม้ทุกคนจะขำเพราะคิดว่าเป็นมุกตลกแต่เราก็รู้สึกได้ว่าพี่หญิงนั้นพูดความจริงน้ำตาของเราเริ่มไหลออกมาขาทั้งสองข้างเริ่มสั่นด้วยความกลัวพี่ตายที่เดินอยู่ข้างเราเห็นก็ถามว่าเป็นอะไรร้องไห้ทำไมเราจึงรีบเช็ดน้ำตาแล้วบอกว่าฝุ่นเข้าตาไม่ได้เป็นอะไรเพราะตอนนั้น เราไม่อยากจะพูดให้ทุกคนกลัวพอเดินไปได้สักพักจากที่ทุกคนขำกันอยู่ก็เงียบลงไม่นานพี่เคลูกพี่ลูกน้องของเราก็พูดตลกให้ทุกคนขำกันอีกแล้วพี่แมนเพื่อนของพี่หนึ่งก็พูดว่าไอหนึ่งมึงหัวเราะ ด, ดังไปหรือเปล่าวะพี่หนึ่งทำหน้างงแล้วตอบไปว่าเปล่า ก็หัวเราะตามปกตินี่แหละพี่แมนคิดว่าเพราะพี่หนึ่งเดินอยู่ข้างๆจึงได้ยินเสียงหัวเราะดังอยู่ข้างๆหูก็เลยไม่สนใจอีกพอเดินไปอีกสักพักจู่ๆนุ่นลูกพี่ลูกน้องของเราที่เดินอยู่ข้างๆแม่ก็หันมามองทางเราหันกลับไปแล้วก็หันกลับมาอีกเป็นอย่างนี้ถึงสองสามครั้ง พอมกับทำหน้าแปลกๆเราจึงถามนุ่นไปว่ามีอะไรหรือเปล่าทำไมถึงทำหน้าอย่างนั้นแต่นุ่นก็ตอบกลับมาว่าเปล่าไม่มีอะไรตอนนั้นเรารู้สึกเย็นที่ด้านหลังแล้วก็ขนลุกตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วแต่ก็คิดว่าคงเพราะอากาศมันเย็นก็เลยทำให้รู้สึกแบบนี้ พวกเราเดินต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงบ้านของเราแม่ก็ถามพวกพีพีว่ากลับกันหรือเปล่าหรือจะนอนที่นี่ทุกคนตอบว่าจะนอนที่นี่เพราะมันดึกแล้วแม่จัดแจงหาที่นอนให้แล้วก็ขอตัวไปนอนก่อนเพราะเหนื่อยมาทั้งวันส่วนพวกเรายังไม่ขึ้นบ้านกันนั่งคุยกันที่แค่หน้าบ้าน พี่หนึ่งนั่งซ่อมรถคันที่เสียพวกผู้ชายก็อาสาที่จะช่วยด้วยจะได้เสร็จไวๆเพราะยังไม่มีใครง่วงคนอื่นๆที่เหลือรวมทั้งเราก็นั่งคุยเป็นเพื่อนพากันคุยไปเรื่อยเปื่อยแล้วจูๆ่ๆพี่หญิงก็พูดเรื่องที่แกเห็นขึ้นมาว่าเธอเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังกออ้อยที่บอกว่าผีหลอกนะเรื่องจริงนะไม่ได้อ่า ทุกคนเงียบแล้วหันไปมองหน้าแก่แกจึงบอกย้ำอีกทีว่าเห็นจริงๆเพราะคิดว่าไม่มีใครเชื่อแล้วพี่หญิงก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่พวกเราเดินคุยเล่นกันแกรู้สึกเหมือนมีคนมองอยู่ตอนแรกก็คิดว่าพี่เอที่เดินอยู่ด้านหลังเลยกะจะหันมาถามว่ามองอะไรแต่ยังไม่ทันที่จะได้หันมามองยังด้านหลัง แกก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนยิ้มอยู่ทางด้านหน้าหลังกออ้อยจึงยิ้มตอบกลับไปตอนนั้นพี่หญิงคิดเพียงแต่ว่าน่าจะเป็นคนที่มางานแต่งกำลังยืนยิ้งกระต่ายอยู่จึงยิ้มให้เพราะอายแต่ยังไม่ทันที่จะเดินผ่านชายคนนั้นก็ต้องตกใจแทบช็อกเพราะใบหน้าของเขาค่อยๆเปลี่ยนไปจากหน้าปกติก็เนาวเละ ตาถลนแทบจะหลุดออกจากเบาทำให้พี่หญิงกรีดร้องเสียงดังด้วยความตกใจเมื่อทุกคนได้ฟังสิ่งที่พี่หญิงเล่าก็ต่างพากันกลัวและนิ่งเงียบไม่มีใครพูดอะไรสักพักนุ่นก็ถามพี่หญิงกลับไปว่าผู้ชายที่เห็นคนนั้นเป็นวัยรุน่นใส่เสื้อสีแดงหรือเปล่าพี่หญิงตอบในทันทีว่าใช่นุ่นตกใจมาก เพราะเธอก็เห็นเหมือนกันทุกคนถามเป็นเสียงเดียวกันว่านุนเห็นที่ไหนเธอจึงบอกว่าเห็นชายคนนั้นเดินอยู่ด้านหลังของเราตอนที่เธอหันมามองเราแต่กลับบอกว่าไม่มีอะไรนุ่นเห็นผู้ชายคนนั้นแต่ก็คิดว่าตาฝาดไปเองจึงหันไปมองอีกครั้งก็เห็นผู้ชายคนนั้นยืนยิ้มให้ พอมองไปครั้งที่สามกลับไม่เห็นชายคนนั้นแล้วทุกคนต่างทาหน้าเวอไปตามๆกันส่วนเราก็ตกใจมากถึงกับนาซีมือไม้สัน่นจนพูดอะไรไม่ออกแล้วพี่แมนเพื่อนของพี่หนึ่งก็พูดขึ้นว่าพี่ก็รู้สึกแปลกๆนะตอนที่หันไปมองไอ้หนึ่งหนึ่งมึงจำตอนที่กูถามได้เปล่าวะ ที่กูถามว่ามึงหัวเราะเสียงดังไปหรือเปล่าจำได้สิวะแต่กูไม่ได้หัวเราะเสียงดังนะเว้ยพี่แมนเลยบอกว่ามันแปลกๆเพราะตอนนั้นได้ยินเสียงหัวเราะ ด, ดังและชัดเจนมากเหมือนมาตะโกนอยู่ข้างๆหูจนพี่ตายเพื่อนอีคนหนึ่งของพี่หนึ่งพี่ชายเราก็ทักขึ้นมาว่าเป็นผีตัวเดียวกันหรือเปล่า มันทำให้ทุกคนเงียบไปอีกครั้งแล้วเราก็บอกว่าจริงๆแล้วผู้ชายคนนั้นเดินตามพวกเรามาได้พักหนึ่งแล้วเราเห็นก่อนพวกพี่ๆซะอีแต่ก็ไม่ได้บอกใครเพราะคิดว่าเป็นคนในกลุ่มของพวกเราตอนนั้นพี่หนึ่งก็ซ่อมรถเสร็จพอดีพวกเราที่นั่งเงียบก็แยกย้ายกันไปนอนในทันใดนั้นเองก็มีเสียงหมาหอนดังขึน เราจึงเดินไปมองที่หน้าบ้านเพื่อมองดูว่าหมามันเห่าหอนอะไรแล้วเราก็ถึงกับช็อกในสิ่งที่เห็นพอเราเห็นผู้ชายวัยรุ่นใส่เสื้อสีแดงกางเกงยีนยืนยิ้มอยู่ที่หน้าบ้านซึ่งห่างไปไม่กี่สิบเมตรเขาโบกมือเหมือนจะเรียกให้เราเข้าไปหาใบหน้าของเขาดูน่ากลัว ดวงตาถลนแทบจะหลุดออกจากเบาเรากรีดร้องออกมาสุดเสียงทุกคนตกใจจนต้องชะงักแล้ววิ่งมาหาเราถามว่าเป็นอะไรน้ำตาเราไหลออกมาและพูดได้เสียงที่สัน่นพร้อมกับชี้ไปที่หน้าบ้านทุกคนหันไปมองที่หน้าบ้านพร้อมกันหมดแล้วก็ต้องช็อกกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเพราะนั่นคือ ผู้ชายคนที่พวกเราพูดถึงกันอยู่เมื่อสักครู่นี้เองแต่เรื่องราวมันยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะคุณน้ำได้บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเพียงจุดเริ่มตน้นถ้ามีโอกาสว่างอีกเมื่อไหร่ก็จะนำเรื่องราวมาเล่าให้ฟังกันอีกขอเวลาอีกไม่นาน สมผัดสยอง